ประพันธ์เงินทองทับทิมแก้วตาแมวนี้ชื่อว่ารัตนะที่ชื่อว่าของที่สมมุติว่าเป็นรัตนะได้แก่เครื่องอุปโภคบริโภคของมนุษย์นี้ชื่อว่าเป็นของที่สมมุติว่าเป็นรัตนะคาว่าเว้นไว้แต่ในอารามหรือในที่พักคือยกเว้นแต่ในอารามหรือในที่พักที่ชื่อว่าในอารามคือสําหรับอารามที่มีรั้วล้อมกําหนดเอาภายในอาราม สำหรับอารามที่ไม่มีรั้วล้อมกำหนดเอาอุปจารณ์ที่ชื่อว่าในที่พักคือสำหรับที่พักมีรั้วล้อมกำหนดเอาภายในที่พักสำหรับที่พักไม่มีรั้วล้อมกำหนดเอาอุปจารณ์ <scri> คำว่าเก็บคือภิกษุถือเอาเองต้องอาบัติปาจิตติบทว่าใช้ให้เก็บคือภิกษุใช้ให้ผู้อื่นถือเอาต้องอาบัติปาจิตติคำว่าอันหนึง่งภิกษุพึงเก็บหรือใช้ให้เก็บรัตนาหรือของที่สมมุติว่าเป็นรัตนา ในอารามหรือในที่พักแล้วรักษาไว้ความว่าภิกษุพึงกำหนดหมายเอารูปพันธุ์หรือตำหนีแล้วเก็บรักษาไว้แล้วประกาศว่าผู้ใดของหายผู้นั้นจงมารับเอาไปถ้าเขามาในที่นั้นพึงถามเขาว่าสิ่งของของท่านเป็นเช่นไรถ้าเขาบอกรูปพันธุ์หรือตำหนีถูกต้องพึงคือให้คืนถ้าบอกไม่ถูกต้องพึงบอกเขาว่าท่านจงคนดูเถิด เมื่อจะจากไปจากอาวาสนั้นพึงมอบไว้แก่ภิกษุผู้เหมาะสมในอาวาสนั้นแล้วค่อยจากไปถ้าไม่มีภิกษุที่น่าเชื่อถือพึงมอบไว้แก่ข้าบบดีผู้เหมาะสมในที่นั้นแล้วค่อยจากไปคำว่านี้เป็นการทำที่สมควรในเรื่องนั้นคือนี้เป็นความถูกต้องในเรื่องนั้น